เกริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลือ่ยอมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เจ็สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจารงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัน เพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาแสงสว่างที่จะพาชีวิตอันมืดม ờ ของเราให้ได้เห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันคือให้เห็นทางที่จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็เหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้เราก็จะไปคว้าผิดคว้าถูกไปคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราก็ได้เช่นไปคว้าเอามีดหรือไปคว้าเอางูเพราะเรามองไม่เห็นในที่มืดแต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน ถ้าสิ่งไหนเป็นอันตรายกับเราเราก็เหลีกเลี่ยงได้สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราก็หยิบเอามาทำประโยชน์ให้กับเรานี่คือลักษณะของธรรมคือแสงสว่างในที่มืดถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะทำอะไรไม่ถูกทำก็ทำแบบผิดผิดถูกถูกผลก็เกิดความดีบ้างไม่ดีบ้าง ความสุขบ้างความทุกข์บ้างแต่ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำพาชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะไปได้โดยสวรรค์นในภาพไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่การสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะนี่คือสิ่งที่พวกเราปรารถนากัน ไม่มีใครอยากจะเจอความทุกข์กันมีแต่อยากจะเจอความสุข ก, กันแต่ทำไมต้องไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเ mm. <ๆ>พราะเราบอกไม่เห็นว่าสิ่งที่เราเข้าหานั้นเป็นความทุกข์นั่นเองเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่มีธรรมไม่มีแสงสว่างเราจึงต้องมาวัาเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม มารับความรู้จากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันตสาวโเมื่อเราได้รับความรู้แล้วเราก็จะสามารถใช้ความรู้นี้พาให้เราไปสู่ที่สุขที่เจริญที่ชอบที่ชอบได้นี่คือการมาวันเข้าหาธรรมเข้าหาความรู้ที่เป็นความรู้ที่เหนือกว่าความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ต่อให้เป็นความรู้ระดับปริญญาเอง ก, ก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ที่จะทําให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้แต่ความรู้ทางธรรมนี้จะทําให้เราได้พบกับความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความทุกข์ทาง <Okay. S 1> โลกนี้ เราจึงเรียกกันว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดจากอะไรก็ไม่รอดจากความทุกข์นั่นเองไม่รอดจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ความรู้ทางธรรมนี้ทําให้ผู้รู้นี้เอาตัวรอดได้รอดจากความทุกข์ต่างๆรอดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เรามีตัวอย่างให้เห็นแล้วผู้ที่มีความรู้นี้ ได้หลุดได้เอาตัวรอดแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรันตสาวกทั้งหลายท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งบ่วงแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรเพราะท่านมีความรู้ทางธรรมนั่นเองถ้าพวกเราอยากจะมีความรู้ทางธรรมอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมารับธรรมจากพระพุทธเจ้ารับธรรมจากพระอาหารหันตสาวเมื่อเราได้รับไปแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะถ้ารับไปเฉยเฉยไม่เอาไปปฏิบัติก็เหมือนกับไปรับยาจากหมอรับยาจากหมอมาพอกลับบ้านก็โยนทิ้งไปไม่รับประทานยาที่หมอให้มา ถ้าไม่รับประทานยาเราก็จะไม่รู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บของเราจะหายหรือไม่หายเราจึงต้องมีความเชื่อในหมอเชื่อว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะได้พิสูจน์ไปรับประทานแล้วเราจะรู้ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หรือไม่ พอรักษาได้เราก็รู้ว่าหมอคนนี้เก่งต่อไปเวลาเราเป็นอะไรเราก็จะกลับไปหาหมอคนนี้เพราะรู้ว่าหมอคนนี้เป็นหมอที่รู้วิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บยาที่หมอให้มาเป็นยาที่จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้ฉนันใดความรู้เท่าใดที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าได้รับจากพระอรันตสาวก ก็เป็นเหมือนอยาที่จะมารักษาโรคของใจโรคของใจก็คือความทุกข์ต่างๆนี่ เ, เราถ้าเราไม่เอาอยามารับประทานเราก็จะไม่รู้ว่ายานี้รักษาโรคใจของเราได้หรือเปล่าถ้าเราไม่เอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเราก็จะไม่รู้ว่าธรรมที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้สามารถทำให้เรา ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้หรือไม่ดังนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะช่วยเราได้จริงๆจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างจริงๆจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างจริงๆเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติ ตามตา ม, ตามที่พระเจ้าทรงสั่มสอนเมื่อสอนแล้วเรานําออกไปปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้จริงหรือไม่จริงสวากขาโตพระกัตาธรรมโมทำที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ตรัสไว้ชอบหรือไม่คําว่าตรัสไว้ชอบก็คือตรงกับความจริเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นคนละเรื่องกันกินเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นหายสักทีดีไม่ดีกับเลวลงซะ อ, อีก ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรียกว่าสวากขาโตพระกวตาธรรมโมถ้าเราเอาทาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วชีวิตกลัวกบวุ่นวายมากขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นอันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ทมแล้วใช้ไม่ได้แล้วเชื่อถือไม่ได้แล้วเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้แล้วเราจะได้พิสูจน์ได้รูก้แก่ใจอย่าไปว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่น่าเชื่อถือ ถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์ยาของท่านว่าใช่ได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์คาสอนของท่านว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีในเบื้องต้นคือเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเมื่อเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะได้นาเอาพระธรรมคาสอน นี่มาศึกษามาปฏิบัติทำที่พระเจ้าสงสอนให้พวกเราศึกษากันนี้เพื่อที่จะทำให้เรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นั้นมีอะไรบ้างมีอยู่เจหัวข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้เรารู้เหตุ 2. ให้เรารู้ผลสให้เรารู้ตน4ให้เรารู้บุคคล 5. ให้เรารู้สังคม6ให้เรารู้ กาลเทศะและเจ็ดให้เรารู้ประมาณนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้ถ้าเรารู้สิ่งทั้งเจ็ดประการนี้และปฏิบัติตามได้เราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีความสุขเราจะไม่มีความเสื่อมเราจะมีแต่ความเจริญนี่คือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรที่จะ สนใจศึกษาทำความเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติกับความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้อย่างไรถ้าเราปฏิบัติตามได้รับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่มีความทุกข์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกันคือรู้เหตุรู้ผลเหตุกับผลนี่เป็นของคู่กันเหมือนสามีภรรยา เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันเหตุทำให้เกิดผลผลนี่จะเกิดได้ก็ต้องมีเหตุผลที่เราต้องการคืออะไรคือความสุขความเจริญผลที่เราไม่ต้องการคืออะไรคือความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆผลที่เราต้องการนี้เกิดจากเหตุนั้นเราต้องมาดูศึกษาว่าเหตุที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญ ไม่ให้เราทุกข์ไม่ให้เราเสื่อมเสียนี้คืออะไรเหตุที่จะทำให้เราสุขให้เราเจริญก็คือการกระทำที่เราเรียกว่ากรรมนี่เองการกระทำของเราเองที่เราทำอยู่ตลอดเวลาสามทางด้วยกันคือทางกายทางวาจาและทางใจนี่คือการกระทำที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมา การกระทําที่จะทําให้เกิดความสุขเราก็เรียกว่าความดีหรือบุญกุศลการกระทําที่จะทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษก็คือการกระทําความไม่ดีการกระทําบาปอันนี้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาสุขทุกข์นี้เราพูดถึงสุขทุกข์ใจไม่ใช่สุขทุกข์ทางร่างกายสุขทุกข์ทางใจ ความเจริญก็เจริญทางใจเราไม่ได้พูดถึงความเจริญทางร่างกายไม่ได้พูดถึงความเจริญในราบยศสรรเสริญแต่เราพูดถึงเรื่องใจเรื่องของความสุขใจของความทุกข์ใจเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่ใจไปติดอยู่เรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของใจ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าผลที่เราพูดถึงนี่คืออะไรถ้าไม่เช่นนั้นเราจะสับสนเพราะคนสมัยนี้เห็นบ่นอยู่เรื่อยว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะว่าสิ่งที่อยากได้มันไม่ได้เป็นผลของการทำความดีทำดีแล้วอยากรวยอย่างนี้ทำดีแล้วอยากได้เป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำความดี การทำความดีทำให้เรามีความสุขใจมีความภูมิใจทำให้เราเจริญทางจิตใจจิตใจของเรานี้ก็มีการเจริญมีการเสื่อมจิตใจเจริญเสื่อมก็เจริญในภพต่างๆหรือเสื่อมในภพต่างๆนั่นเองตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันแต่ใจของเราอาจจะอยู่เหนือความเป็นมนุษย์ก็ได้ ถ้าเราทําความดีไม่ทําบาปเราก็เคลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นเทวดาถ้าเราปฏิบัติทำได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ใจก็งเราใจของเราก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเป็นพระพรหมแล้วถ้าเรามีปัญญาตัดกิเลสได้ตัดความโลภโกรธดลงได้เราก็จะไปเป็นพระอริยเจา้าไปเป็นพระอรหันในขณะที่เรายังมีร่างกายนี้อยู่ แต่ใจของเราไปแล้วไปไปตามเหตุที่เราได้สร้างไว้แล้วเพียงแต่เราไม่รู้กันนั่นเองเราไม่รู้เราไม่รู้จากการวัดผลของเหตุที่เราทากันเราไปวัดผลที่ในที่ลาบยศสรรเสริญที่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราจรึงมักจะผิดหวังเพราะคนทำดีมักจะไม่ได้เจริญในลาบยศสรรเสริญ คนทําชั่วนี้ต่างหากที่มักจะเจริญในลาบยศสรรเสริญกันคนที่ทําบาสนี้รวยกันโกงกันโกหกหลอกลวงกันถึงรวยกันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันเขาถึงเป็นใหญ่เป็นโตกันทําสงครามกันเนี่ยใครชนะก็เป็น พ, พระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาใครแพ้ก็กลายเป็นจำเลยขึ้นมากลายเป็นทาสไปนี่คือความเจริญทางโลก ที่เราพูดถึงนี้คือความจเจริญทางธรรมทางจิตใจดังนั้นถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้ไม่ผิดหวังเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทำความดีแล้วคิดว่าจะได้รวยมากรวยมากขึ้นเด่นใหญ่เป็นโตมีรถมียศมีตาแหน่งสูงขึ้นมีคนยกย่องสรรเสริญยนยอมากขึ้นมีสิ่งของใช้สอยมากขึ้น อันนี้ไม่ใช่เป็นผลของการทําความดีในพระพุทธศาสนาผลของการทําความดีในพระพุทธศาสนาก็คือใจจะพัฒนาจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นพระอาหารหันต์ขั้นของพระพุทธเจ้านี่คือความเจริญที่เกิดจากการ คิดดีพูดดีทำดีอย่างวันนี้ญาติโยมมาคิดดีพูดดีทำดีกันคิดว่าวันนี้จะมาทำบุญก็เลยพูดชวนเพื่อนฝูงเชิญญาติเชิญพี่น้องมาร่วมทำบุญกันแล้วเราก็ออกเดินทางมาวัดแล้วพอมาถึงวัดเราก็เอาเข้าวของต่างๆที่เราไปซื้อมามาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าคิดดีพูดดีทำดี แล้วเราก็ไม่คิดไม่ดีไม่พูดไม่ดีไม่ทําไม่ดีคือเราจะอันนี้จะไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาพอเราทําบุญและไม่ทําบาปได้เราก็เป็นเทวดาขึ้นมาทันทีเป็นโดยที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจของเรานี้เป็นเทวดาแล้ว เป็นแต่ว่าจะเป็นเทวดานานหรือไม่นานเาพราะเดี๋ยวพอไปโกรธใครเกลียดใครไปด่าเขาขึ้นมาเทวดาก็หายไปความเป็นเดรัจฉานก็นมาเห่าเหมือนสุนาขาัขเห่เาด่าคนนั้นว่าคนนี้ดังนั้นเราต้องคอยดูเหตุอยู่เรื่อยๆว่าเรากำลังสร้างเหตุ ด, ดีหรือไม่ถ้าสร้างเหตุ ด, ดีผลก็ดีถ้าสร้างเหตุไม่ดี ถ้าคิดไปทําบาปแล้วก็ไปทําตามที่คิดไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกโหกหลอกลวงไปเสพสุรายาเมา่าจิตเราก็เสื่อมจากการเป็นมนุษย์ทันทีจากมนุษย์ก็เลื่อนงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรงเป็นอสูรากายเป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องของการกระทําที่ทําให้เกิดผลต่างๆขึ้นมา ทางจิตใจไม่ได้เกิดจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหรือตําแหน่งอะไรต่างๆคนทําความดีอาจจะไม่ได้ตําแหน่งสูงก็ได้เพราะคนที่ให้ตําแหน่งมองไม่เห็นความดีของเขาเพราะคนที่ให้ตําแหน่งมองว่าจะให้เงินเขาเท่าไหร่ถ้าให้เงินเขามากเขาก็เลื่อนชั้นเร็วหรือรับใช้เขาหรือลิ้นยาวอย่างนี้ก็จะ ได้ตำแหน่งสูงขึ้นเร็วนี่คือวิธีหาความเจริญทางโลกไม่เหมือนกับความเจริญทางธรรมความเจริญทางธรรมนี้ต้องคิดดีพูดดีทำดีไม่คิดไม่คิดไม่ดีไม่คิ ด, ไ ม, ด, ไ, มคดไม่ทำไม่ดีไม่พูดไม่ดีแล้วจิตใจก็จะพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดเป็นขั้นของพระอาหารหันต์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีด้วยการไม่คิดไม่ดีไม่พูดไม่ดีไม่ทำไม่ดีนี่คือการรู้เหตุรู้ผลถ้าอยากจะเป็นเทวดาก็ทำบุญไม่ทำบาปถ้าอยากจะเป็นพรหมก็ต้องเพิ่มนั่งสมาธิถ้าอยากจะเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องเจริญปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เพื่อเราจะได้หยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงเมื่อเราหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงได้เราก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของเหตุของผลที่เราควรที่จะรู้นอกจากนั้นเราก็ต้องรู้เรื่องอื่นด้วยเช่นเราต้องรู้จากตัวเราว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไร เราเป็นมนุษย์หรือเราเป็นเดรัจฉานถ้าเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องรักษาศีลรักษากฎหมายถึงจะเป็นมนุษย์ได้ถ้าเราไปทำผิดกฎหมายเดี๋ยวก็จับเราไปขังไว้ในกงรงพะเราทำตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไปฆ่าคนอื่นเราไปลักทรัพย์ของคนอื่น เ, เจ้าหน้าที่ตารวจก็ต้องมาจับเราไปขังในคุกเหมือนกับเราเวลาเจอเสือเราจะทำไง เราไม่ปล่อยให้มันออกมาเพ่นพ่านเจอเสือก็ต้องช่วยกันจับเข้าไปขังไว้ในกรงเพราะที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานก็คือต้องอยู่ในกรงถ้าออกมานอกกรงแล้วมันจะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นเดรัจฉานไม่อยากจะถูกจับไปขังอยู่ในกรงเราก็ต้องรักษาศีลรักษากฎหมายเข้ารบกฎหมาย ถ้าเราไม่ทำบาปเราไม่ทำผิดกฎหมายก็จะไม่มีใครจับเราไปขังคุกขังตารางนี่คือการรู้ตนเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเป็นคนหรือเป็นเดรัฉานเป็นเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ต้องทำตัวแบบผู้ชายทำผู้หญิงก็ต้องทำตัวแบบผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายไปทำตัวแบบผู้หญิงเดี๋ยวก็จะไปอยู่กับใครไม่ได้ ผู้หญิงเขาก็ไม่ให้อยู่ด้วยเพราะร่างกายเป็นผู้ชายผู้ชายก็ไม่เอาด้วยไปทำตัวเป็นผู้หญิงดันั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นใครเป็นหญิงก็ทําทําตัวให้เป็นหญิงทําชายเป็นผู้ชายก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้ชายเป็นเด็กก็ต้องทําตัวในแบบของเด็กไม่ใช่ไปทําตัวเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าไปทําตัวเป็นเด็ก พอทําแล้วมันจะทําให้คนเขาคิดว่าเพี้ยนไปหรือบ้าไปนั่นเองงั้นเราต้องรู้ฐานะของเราว่าเราเป็นอะไรเป็นคาราวารหรือเป็นนักบวชเป็นนักบวชจะไปทําตัวเหมือนคาราวาก็เดี๋ยวก็โดนเขาจับสึกทำเป็นคาราวาไปทําตัวเป็นนักบวชเขาก็จะว่าเรียนเรียนแบบพระเองนับเลอกเรียนแบบพระ นั้นผิดกฎหมายถ้าไปเราเป็นคาราว่าแต่ไป น, นุ่งผ้าเหลืองเข้าแล้วไปเดินบิณฑบาตขอข้าวเขากินเขารู้ว่าเป็นผ้าปลอมเขาจะจับเราเข้าคุกเข้าตารางได้นี่คือการรู้ตนเราต้องรู้ฐานะของเราฐานะของเราก็มหีหลากหลายด้วยกันเพราะเราเปลี่ยนไปตอนนี้เราเป็นเด็กต่อไปแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เราเป็นโสดต่อไปแล้วก็เป็นสามีเป็นภรรยา แล้วต่อไปเรามีลูกเราก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ั้นฐานะของเรานี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องปรับเราต้องรู้จักฐานะรู้ตนว่าเราจะเราเป็นใครแล้วเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนเพื่อที่จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมานี่คือเรียกว่าการรู้ตนถ้ารู้ตนแล้วปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่อง ข้อที่สี่ก็คือให้รู้บุคคลก็ให้รู้คนอื่นคนอื่นเขาก็มีฐานะต่างๆกันเขาเป็นหญิงเป็นชายเขาเป็นคนที่แก่กับเราหรือเท่าเราหรืออ่อนกับเราเขาเป็นคนที่รวยกับเราหรือจนกับเราเขาเป็นคนที่ฉลาดกับเราหรือโง่กับเราเขาเป็นครูหรือเขาเป็นนักเรียนเขาเป็นพ่อเป็นแม่หรือเขาเป็นลูก วิธีที่เราจะปฏิบัติกับบุคคลต่างๆก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาเขาเป็นพระเนื้อเขาเป็นคารวาเรามีลูกเวลาเขาเป็นคาราว่าเราก็เอ็นดูเขาเลี้ยงดูเขาพอก็มาเป็นพระปั๊บนี่เราต้องไปคารว่เขาแล้วต้องไปกราบไหว้เขาแล้วถ้ายังถือว่าเป็นลูกอยู่ไม่ยอมกราบมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาได้ นี่คือเรื่องการรู้บุคคลต้องรู้ฐานะต่างๆของบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยและปฏิัติให้เหมาะสมกับฐานะของเขาคนที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพยกย่องนับถือเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์คนที่ต่ำกว่าเราเราก็ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่เท่าเราก็ให้ความสนิทสนมเฮฮากัน ถือไม่ถือตัวถือว่าเท่ากันอันนี้คือเรื่องของการทำรู้จักบุคคล<ม>เพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติกับเขาได้ถูกต้องแล้วเราจะได้อยู่กับเขาได้อย่างสบายถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องเขาก็จะรังเกียจเราเ<ม>ช่นเราไม่มีความคารวะบิดามารดาคนเขาก็จะว่าเราเป็นคนอากตันอยู่เป็นคน เลวขึ้นมาได้คนที่ไม่เคารพพ่อแม่ดังนั้นเราต้องรู้จักบุคคลต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยและปฏิบัติให้ถูกต้องตามฐานะของเขาเรียกว่ารู้บุคคลข้อที่ห้าก็คือให้เรารู้สังคมสังคมก็คือให้เรารู้ขนมธรรมเนียมประเพณีของสังคม กฎระเบียบของสังคมในแต่ละสังคมนี้จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีกฎมีระเบียบที่ต่างกันไปเราอยู่ในสังคมใดเราก็ต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นเช่นถ้าเรามาบวชเป็นพระเราก็ต้องมาศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีกฎระเบียบของพระถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้และเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะ ถูกเขาจับเราขับออกไปได้เพราะเราไม่สามารถอยู่กับเขาได้นั่นเองฉันใดสังคมต่างๆก็มีกฎมีระเบียบมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เราจะต้องศึกษาเช่นสังคมในบ้านก็มีขนบธรรมเนียมอย่างหนึ่งสังคมที่โรงเรียนก็มีขนบธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งสังคมที่ทางานสังคมต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนี้ เขามีกฎมีระเบียบมีประเพณีที่เราจะต้องเคารพและปฏิบัติตามถ้าเราไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามเราก็จะถูกเขาขับออกจากสังคมนั้นไปเราก็จะอยู่กับใครไม่ได้นี่คือเรื่องของการรู้สังคมข้อต่อมาก็ให้รู้การละเทศะคือรู้การเวลาและสถานที่ที่เราไปว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ เช่นตอนนี้กําลังฟังเทศฟังธรรมเรามาสายอยากจะถวายอาหารก็เข้ามาจัดข้าวจัดของส่งเสียงอึกกระทึกครึกโครมแล้วก็ขนของออกมาถวายพระในขณะที่คนกําลังนั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้ก็เป็นการไม่รู้จักการละเทสะถ้าเรามาสายเรายังไม่ได้ถวายของแต่เขากําลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เราก็ต้องทําตามเขา เขานั่งฟังเราก็ต้องนั่งฟังของเดี๋ยวถวายทีหลังก็ได้สายหน่อยไม่เป็นไรแต่อย่ามาเตรียมจัดข้าวจัดของส่งเสียงอึกกระทึกครือโคมจะทําให้คนที่เขาฟังเทศฟังธรรมเสียสมาธิแล้วก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้เขาก็จะอาจจะมาขอร้องให้เราออกไปทําข้างนอกเพราะอยู่ข้างในแล้วมันรบกวนคนอื่น นี่คือเรื่องของการรู้จักกาลเทศะเราไปที่ไหนเราต้องรู้ว่าเราต้องแต่งกายอย่างไรไปงานศพต้องแต่งกายอย่างไรไปงานแต่งงานต้องแต่งกายอย่างไรต้องทำตัวอย่างไรไปงานศพจะไปเอาเดาเอาเครื่องดื่มไปดื่มไปฉลองเฮฮากันก็ไม่ได้ไปงานแต่งงานจะไปทำหน้าซึมเศร้าก็ไม่ได้มันต้องรู้จัก ตัวให้ถูกกับการละเทศะของสังคมแล้วเราจะได้ไม่ไปทำให้วงแตกเข้าใจคนที่ทำให้วงแตกก็คือคนไม่รู้จักการละเทศะพอเข้าไปถึงก็เนี่ยบางทีก็เปิดมือถือในโรงหนังโรงละครเนี่ยดี๋ยวก็ส่งเสียงดังลั่นขึ้นมาทำให้ชาวบ้านเขาลำคาญ นี่คือเรื่องของการรู้จักการละเทศะเวลาไปที่ไหนที่ต้องการความเงียบความสงบควรจะปิดโทรศัพท์มือถือไม่ควรจะใช้โทรศัพท์มือถือในสถานที่เหล่านั้นเรียกว่าการรู้จักการลเทสะและประการสุดท้ายก็ให้รู้จักประมาณคือให้รู้จักความพอดีเช่นให้ความรู้จักความพอดีกับการบริโภคปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มก็ให้มีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องพอดีถึงจะดีเช่นอาหารกินเท่าไหร่ถึงจะดีเขามีมาตรฐานว่าสูงเท่านี้ควรจะมีน้ําหนักเท่านี้ถ้ามีน้ําหนักเกินที่เขาตั้งความประมาณไว้ ก็ถือว่าไม่รู้จักประมาณกินมากเกินไปสแสดงว่าอ้วนถ้ากินน้อยเกินไปก็สแสดงว่าผอมผอมก็ไม่ดีอ้วนก็ไม่ดีต้องพอดีเหมือนกับรองเท้าถ้ามันหลวมเกินไปใส่ก็ไม่ดีคับเกินไปก็ไม่ดีใส่แล้วเจ็บเท้าต้องใส่รองเท้าที่ขนาดพอดีเราจะสวมสบายใส่สบายการใช้ปัจจัยส่ก็ควรจะรู้จักประมาณ พอมากเกินไปก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเพิ่มมากขึ้นมาแต่อย่างใดน้อยเกินไปก็จะทำให้เกิดปัญหากับร่างกายได้ต้องให้พอดีอาหารพอดีเครื่องนุ่มห่มพอดีที่อยู่อาศัยพอดีอยารักษาโรคพอดีพอดีกับร่างกายและพอดีกับฐานะของเราด้วยคนมีน้อยก็ต้องซื้อของถูกกินคนมีมากก็ซื้อของแพงกินได้ คนมีน้อยไปซื้อของแพงกินเดี๋ยวเงินก็หมดเดี๋ยวก็จะไม่มีเงินซื้ อ, อยางสิ่อย่างอื่นที่จำเป็นก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปรักเล็กขโมยน้อยก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นเราต้องรู้จักประมาณว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพของเรานี้ต้องมีมากน้อยเพียงไรแล้วฐานะของเราการเงินการทองของเรามีมากน้อยเพียงไร ต้องให้มันเหมาะสมกับฐานะเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายแล้วจะได้ไม่มีปัญหาตามมาจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขความสบายนี่คือเรื่องของความรู้ทางโลกทางธรรมที่ถ้าใครได้รู้แล้วจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาจะเป็นคนที่เรียกว่าฉลาดกับคนที่จบปริญญาเอกเสียอีกเพราะคนจบปริญญาเอกนี้ ยังมักจะต้องเจอความทุกข์เจอความวุ่นวายเจอความเสียหายต่างๆเพราะไม่รู้ความรู้เจ็ดประการนี้เองถ้ามีความรู้เจ็ดประการนี้แล้วรับรองได้ว่าจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะไม่มีความทุกข์แต่อย่างใดดังนั้นขอให้ท่านพยายามศึกษาและปฏิบัติความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้ให้ได้คือหนึ่งรู้เหตุสองรู้ผลสรู้ตน สี่รู้บุคคล 5. รู้สังคม 6. รู้การลากเทสะ7รู้ประมาณแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความจเจริญจะไม่มีความทุกข์เลยการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศสดรัตนกรารและบุญกุศล